นี้มาดูทุกๆอะไรข้างขึ้นกับข้างแรมทุกสิบห้าวันต่อจากนั้นก็ยกขึ้นสู่ตรายลักษ์โดยเกี่ยวกับข้างแรมและข้างขึ้นทุกสิบห้าวันสังขารทั้งหลายก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใช่ไหมอันนั้นข้างแรมก็ไม่เหมือนข้างขึ้นข้างขึ้นก็ไม่เหมือนข้างแรมอันนันพันรูปในคราวข้างแรมก็ไม่ถึงคราวข้างขึ้นก็มีอันดับไปในคราวข้างแรมนั่นและ มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารูปที่เป็นไปในข้างขึ้นข้างขึ้นเขาเรียกว่าไงเขานับวิธีนับนะถ้าดูตามดวงนะขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามสี่จนถึงขึ้น15บห้าขามพอถึง15บห้าข้ามมันจะเป็นขาลงก็แรมขาลงนี่เรียกว่าแรงนะขาเดือนขึ้นก็คือพระจันทร์เนี่ยไปหาหมุนไปหาความเต็มดวงเรียกข้างขึ้นถ้าข้างแรมก็คือเดือนมันเสียเส้ยวลงเสี้ยวลงเสี้ยวจนหายไปเลยไม่ขึ้นอีกเลยนี่เรียกข้างแรมแล้วก็แบ่งเป็นข้างขึ้นกับข้างแรม มันรูปในข้างขึ้นก็ไม่ถึงข้างแรมรูปที่ข้างแรมก็ไม่ถึงข้างขึ้นไวทั้งหลายก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปทุกๆสิบห้าวันนั่นแหละก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี้ยก็มาแบ่งเป็นเหลืออะไรกลางวันกับกลางคืนต่อจากนั้นไปก็ย่อมยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับกลางคืนและกลางวันอย่างนี้ว่า รูปที่เป็นไปในกลางคืนยังไม่ถึงตอนกลางวันก็มีอันดับไปในตอนกลางคืนนั่นแหละก็ดูนะร่างกายที่เป็นไปในตอนกลางคืนนี่เหมือนตอนกลางวันอย่างนี้ไหมสภาพทั้งอิริยาบดเป็นต้นก็ไม่เหมือนตอนกลางวันรูปร่างกายที่เป็นไปในตอนกลางวันดูเหมือนตอนกลางคืนไหมก็คนละอย่างกันไปอิริยาบดการลุกการนั่งการเอียงคอการพับคอการวางมือเป็นต้นก็แตกต่างกันไปเพราะรูปในกลางคืนก็ไม่เหมือน กลางวันรูปที่เป็นไปในกลางวันก็ไม่เหมือนกลางคืนเพราะมันหมดดับไปในกลางคืนมันรูปในกลางคืนก็สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปในตอนกลางคืนนั่นแหละรูปที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในตอนกลางวันทุกแบบกลางคืนกับทุกกลางวันนี่ต่างกันบางภาคนี่เห็นชัดเลยกลางคืนหนาวเน็บกลางวันก็ร้อนระอุเนี่ยนะกลางคืนก็หนาวเหน็บกลางคืนก็ร้อนระอุเย็นร้อนเย็นร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายนะนะ ก็ว่าอุอตมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมร่างกายนี่เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะเย็นเพราะร้อนเนี่ยนะอย่างบางภาคเช่นภาคอีสานตอนนี้เดี๋ยวก็ร้กลางวันนี่ร้อนมากๆเลยกลางคืนนี่หนาวเน็บเนี่ยนะต้องผิงฟืนผิงไฟเลยแหละกลางคืนน่ยนะกลางวันเนี่ยร้อนถ้าจะหาที่อยู่ไม่ได้กลางวันก็นา้าอย่างนั้นโอมีหน้ า, าตายเร็วนีนนะ่เพราะว่าอากาศมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะรูปทั้งหลายก็เปลี่ยนไปทุกๆอะไร ทุกททุกวันทุกคืนนั่นแหละคืนก็เปลี่ยนไปวันก็เปลี่ยนไปอายุทั้งของศาสตร์ทั้งหลายก็ใกล้เข้าไปทุกทีใกล้ไหนใกล้เกิดใหม่ใกล้เกิดใหม่ใกล้จุติปฏิสนธิมันอันตรปัจจัยมันอยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่ว่ารูปในแต่ละทุกๆุกลางคืนกลางวันก็สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทีนี้ก็มาแบ่งเป็นแบ่งกลางคืนกลางวันออกอย่างละสามก็คือหนึ่งวันคูณ6 ก็แบ่งเปรียวกับเวลาเช้าเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเชา้ชาเช้าเที่ยงเย็นปฐมยามมชิมยามแล้วก็ปชิมยามถ้าพูดแบบภาษาเราก็บอกว่าเชา้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ําหัวค่ากลางคืนแล้วก็อะไรนะเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงรุ่งอรุณเนี่ยนะใกล้ๆแต่นี้ก็แบ่งออกเป็นเชา้าเที่ยงเย็นแล้วก็ 6โมงถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงตีสองตีสองถึงสว่างก็คือแบ่งทุกๆุสี่ชั่วโมงนยี่สบสี่คูณคูณี่เท่าไหร่ก็แบ่งเป็นห2ยี่สิบสี่เอ่อยิบสี่หารสี่หารสี่ชั่วโมงนะเหลือ6เพราะฉะนั้นทุกๆ4สี่ชั่วโมงเนี่ยนะรูปของเราทั้งหลายก็เปลี่ยนไปทุกสี่ชั่วโมง้ทุกสี่ชั่วโมงมันสี่ชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบนาฬิกาก็ ก็หมดไปสิ้นไปเสื่อมไปในช่วงนั้นช่วงสิบไปถึงบ่ายสองก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปธรรมดาในช่วงนั้นนั่นแหละช่วงบ่ายสองถึงหกโมงเย็นก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปดับไปเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ตีสอถึงสว่างก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปร ь, ปรวนไปเป็นธรรมดาพันรูปที่เกิดขึ้นในตอนช่วงเช้าก็หมดไปในช่วงเช้ารูปในช่วงกลางวันก็สิ้นไปในช่วงกลางวันรูปที่เกิดในตอนบ่ายก็สิ้นไปในตอนบ่ายรูปที่เป็นไปในส่วนหัวค่ําก็สิ้นไปในส่วนหัวค่ําช่วงเที่ยงคืนก็สิ้นไปในตอนเที่ยงคืนในตอนใกล้สว่างก็สิ้นไปมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความสิน้นโอ้ยไม่ตายได้ยังไงนะมาคิดอยู่อย่างไงใครจะเชื่อว่าตัวเองจะเที่ยงนะ มันก็รูปทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพันรูปในความทุกข์ของคนเนี่ยนะถ้าคิดนะทุกข์ในตอนเช้าก็อย่างหนึ่งนะช่วงชุกนั่งหกโมงไปถึงสิบโมงก็ทุกข์อย่างหนึ่งนะสิบโมงไปถึงบ่ายสองก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งถ้าบ่ายสองไปถึงเย็นก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่ง อ่ะ น, นะสี่ทุ่มไปถึงตีสองก็ทุกอีกอย่างหนึ่งตีสองมาถึงสว่างก็ทุกไปอีกอย่างหนึ่งนะสระุปว่าสิ่งใดที่สิ้นไปสิ่งนั้นนํามาซึ่งความทุกสิ่งใดเป็นทุกนั่นแหละเป็นอนัตตาแต่จะมีความสุขอยู่บ้างก็ตรงหวังว่าเออนี่นะ ส, สายแล้วจะสบายอเออเดี๋ยวเที่ยงแล้วโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวเย็นๆแล้วสบายแล้วกลับบ้านอาบน้ํานอนแล้วสบาย นอนไม่หลับเข้าเอะถลับแล้วจะสบายตื่นขึ้นมาอกีกก็คิดว่าจะวังไปเรื่อยอย่างนี้แล้วใครเจอมั่งใครหาเจอพบบอกช่วยบอกด้วยแต่ว่ามีแต่ความเปลี่ยนไปนะริกมุนเวียนเปลี่ยนไปทีนี้ในภายในสี่ชั่วโมงเนี่ยนะก็ยังมาแบ่งเอกใช่ไเวลาที่ไปกับกลับเวลาแลเหลียวเวลาคู่เหยียดอันนี้พูดตามสติปัฏฐานเป๊ะเลยนะในสัมปชัญญะบัพพะใช่ไหมบัพพาที่หนึ่งว่าไงสติปัฏฐาน พิจารณาอะไรบัพพาที่หนึ่งเป็นไงนี่ยอานาปาณาบัพพาบัพพาที่สองอิริยาบถบัพพาที่สาก็สัมปชัญญะบัพทำสัมปชัญญะในการก้าว ไ, ไปถอยกลับในการแรการเหลี้ยวการคู่การเหยียดในการทรงผ้าจีวรสังคาติในการ คือทรงบาทแล้วก็ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการขับถ่ายอุจจาระประสัสสาวะในการยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งตรงนี้ก็พูดมาถึงตัวไปมาแลเหลียวแล้วก็คูเหยียด น, นี่มาดูว่าชีวิตของเราก็มีก้าวไปกับถอยกลับก็คือขาไปกับขามาเพราะในช่วงสี่ชั่วโมองมันก็มีไปกับมาเมื่อมีไปมีมาก็มีอะไรพอไปไหนมาไหนก็อดเหลวแลดูไปได้ทั้งแลเหลวมองตรงบ้างมองเฉียงมองซ้ยงงายมองขวามองตรงมองเฉียงมองซ้ายมองขวามองขึ้นกม้มลงเงยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอย่างที่แลเหลยวแล้วก็ พอเหลียวไปเจออะไรเข้ากัคูคูก็ดึงเข้านะอันนี้เหยียดออกจริงๆก็ต้องเหยียดแล้วค่อยคูเหยดคูคูเหยียดคูเหยียดคูคูเหยียดนะนะเหยียดไปแล้วก็คูคูเหยียดทําอะไรก็แล้วแต่จะแต่งตัวหรือจะอาบจะเกี่ยวกับเรื่องภาชนะเข้าครัวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าไปมาแล้วก็เหลียวดูแลเหลียวแล้วก็คูเหยียดจับต้องอะไรก็อยู่นี่แหละ แตสมัยใหม่นี่ข้อปฏิบัติก็คือต้องหัดก้าวไปแล้วก็หัดถอยกลับมาแล้วก็หัดเหลี้ยวแล้วก็กําหนดไปให้ทันว่าโอ้ยเขาไม่ได้มาเจริญแบบนั้นรองเขามีการวิจัยเรื่องร่วงอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอดีตนี้ชาตินี้ชาติที่แล้วก็ไ ล, ล่มาอย่างนี้จนมาถึงจุดนี้ใช่ไหมของเราขึ้นต้นด้วยจุดนี้เลยใช่ไหมไปฝึกเดินมาก่อนหจังหวะแล้วก็ว่าไปเนี่ย น, นี่มาดูในคัมภีร์ต่อไปว่า รูปที่เป็นไปในเวลาที่ก้าวไปยังไม่ถึงเวลากลับก็มีอันดับไปในตอนขาไปนั่นแหละนะทีนี้รูปที่เป็นไปในเวเป็นไปในเวลากลับก็ไม่ทันถึงเวลาเหลียวดูก็มีอันดับไปในเวลากลับนั่นแหละรูปที่เป็นไปในเวลาแลดูก็ไม่ทันถึงเวลาเหลียวดูคือท่านอยากจะบอกว่ารูปที่ไปก็อย่างหนึ่งรูปที่กลับก็อย่างหนึ่ง รูปที่มองตรงก็อย่างหนึ่งรูปที่มองซ้ายมองขวาก็คนละรูปกันนัะนะพวาะนี้เน้นจิตจะชรูปนะนะทีนี้ไอ้รูปที่กําลังมองตรงๆหรือมองหันซ้ายหันขวาก็คนละอย่างรูปที่คูก็อย่างหนึ่งรูปที่ละเอียดก็อย่างหนึ่งมันคนละอย่างคนละอย่างกันนั่นแหละเพราะนั้นไอ้รูปในขณะนั้นๆๆ้นั้นก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแป ร, fácil, ป, ร ping, ปรวนไปในขณะนั้นแหละเช่นรูปที่ไปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในขณะ ไปนั่นแหละที่เป็นกลับก็หมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นไปเป็นธรรมดาในเวลากลับนั่นแหละขณะที่เลี้ยวดูก็หมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขณะเลี้ยวดูนั่นแหละในขณะมองดูตรงๆก็หมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในขณะที่ดูตรงๆนั่นแหละในขณะเยียดออกไปก็หมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาขณะคู้เข้าก็ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในเวลาคู่ในเวลาเหยียดนั่นแหลทีนี้ต่อจากนั้นไปก็มาแบ่งเวลาที่ก้าวเท้าออกไปเป็นยก น, นะยก ย, ย, ย่างย้ายหย่อนเหยียบยันแล้วก็ยกย่างย้ายหย่อนเหยี ย, ยบยันอันนี้เรียกว่าหแบ่งการเดินเป็นหระยะไม่ใช่6จังหวะ ทําไว้นนใ ห, หม่ก็มาเปลี่ยนเป็น6จังหวะในคำภีร์ก็อธิบายในลักษณะว่าแบ่งหนึ่งการเดินเนี่ยเป็น6ระยะเช่นระยะที่ยกขึ้นยกนอะไรก็เอาเอาเท้าขึ้นจากพื้นนะย่างก็คือการย้ายเท้าเข้าไปข้างหน้าเวลาย้าย ย, า ย, ย้ายยังไงเห็นตอนน้ํางูไม่ย้ายได้ยังไงเดี๋ยวไปเหยียบหัวงูมันจะเหยียบหางงูแล้วงูมจะ ก, กัดเอาก็ต้องย้ายออกใช่ไหมเช่น คือคืออันนี้นี่พูดถึงว่าความเป็นจริงอ่ะนะพูดรวมรวมอ่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าใครยกย้ายไปขนาเ อ, อ้ย้ายซะหน่อยนะแบบหาที่เหยียบแล้วค่อยยันแล้วก็ย้ายยกเหยียบแล้วก็ยันขึ้นมันไม่ก็เฮ้ยฝึกจนชำนาญนะนะยังเราไม่รู้งั้นเนาะนแต่พูดถึงว่าบางทีแล้วก็ย้ายจะเกือบเหยียบแล้วก็ย้ายซะหน่อยเนี่ยเลยแ ต, แต่ถ้าเป็นพระพิสูจนเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นเช่นว่าเห็นหมดเห็นอะไรเนี่ยนะท่านก็จะย้ายเท้ า, ย, าย้ายอะไรประจําเลย เกือบวางนน เ, าเนี่ยเอามดนี่ยย้ายซะหน่อยเนี่ยย้ายพอย้ายเสร็จก็หย่อนลงพอหย่อนลงก็เหยียบเหยียบถ้าจะเดินอีกก้าวหนึ่งอ่ะนะอีกก้าวหนึ่งจะยกขึ้นได้ท้งนี้ต้องยันเอาไว้ก่อนยันนะจึงยกยาง ย, าย้ายหย่อนเหยียบแล้วก็ยันยันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะยกได้ ป, ป๊าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นไปในเวลาเวลายกเท้าขึ้นเนี่ยนะท่าที่มีกําลังคือท่า ธาตุอะไรธาตุน้ำกับออขอไปธาตุลมกับธาตุไฟมีกําลังในะขณะที่ยกเท้าเนี่ยธาตุดินกับธาตุน้ําไม่ค่อยมีกําลังเพราะว่าลมนี่มันแผ่เข้าไปดินออน้ำํำลมกับไฟเนี่ยแผ่เข้าไปนะจึงจะยกขึ้นในเวลาที่นําเท้าไปข้างหน้าเวลาที่ย้ายเท้าก็ธาตุน้ำธาตุลมกับธาตุไฟมีกําลังยกขึ้นย้ายแล้วก็ อ, อย่างออนะยก ย่างย้ายซ้ายย้ายขวาเป็นต้นเนี่ยดินกับขออภยัยลมกับไฟนี่มีกำลังแต่ถ้าหย่อนลงเหยียบหรือยันอันนี้ถ้าดินกับท่าน้ำมีกำลังมากเนี่ยนะอันนี้ก็พิจารณานะว่ายอมพิจารณาว่าท่าทั้งหลายที่ในเวลา ย, ยกเท้าใดรูปทั้งหลายที่อาศัย ธาตุเหล่านั้นใดทั้งหมดเหล่านั้นยังไม่ทำถึงนําไปข้างหน้าก็แปลว่ารูปที่ยกก็ไม่ถึงไม่ถึงย่างนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในขณะที่ยกรูปที่ย่างไปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในขณะย่างเลยไม่ถึงย้ายรูปที่ย้ายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหมดไปในขณะที่ย้ายเลยไม่ถึงหย่อนรูปที่หย่อนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ถึงยันรูปที่ยันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ถึงเหยียบก่อนไหมไม่ถึงเหยียบ เหยียบก็ไม่ถึงยันยันก็ไม่ถึงยกยกก็ไม่ถึงย่างย่างอันรูปทั้งหลายก็สิ้นไปเสื่อมไปก็แปรปรวนไปอันก็แบ่งนะยก ย, ย, ย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเป็นหระยะแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอ่านเลยก็เห็นชัดนะก็ดูพิจารณาตามไปก็แล้วกันสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นในส่วนอ น, นั้นยังไม่ทันถึงส่วนนอกนี้ย่อมแตกไปเป็นข้อข้ อ, ขอเป็นท่อน ก็มันแบ่งนะนะมามาขั้นแล้วใช่ไหมขั้นอะอะไรยกก็ไม่ถึงย่างย่างก็ไม่ถึงย้ายย้ายก็ไม่ถึงหย่อนหย่อนก็ไม่ถึงเหยียบเหยียบก็ไม่ถึงยันยันก็ไม่ถึงยกก็คือคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนกันไปก็แบ่งกันเป็นข้อข้อเป็นท่อนๆเป็นตอนตอนเป็นแดนแดนถ้าเป็นท่อพีวีซีก็เหมือนกับเป็นท่อนๆ่อนไปนะขยายเป็นท่อนๆส่วนนั้นๆันั่นแหละดังกล่าวมาเหมือนงาที่เขาใส่ลงไปในกระเบื้องร้อนแตกดังตะตะตะเนี่ยนะเปรียบป้าเปรี้ยวป้าเนี่ยนะเคยขั้วงาไหม เพราะฉะนั้นเป็นของไม่เที่ยงเพราะเหตุที่ไม่เที่ยงจึงเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาการพิจารณารูปของพระโยคีผู้เห็นแจ้งสังขารทั้งหลายอันถึงความแตกดับไปเป็นข้ อ, ข, อข้ออย่างนี้ชื่อว่าเป็นของสุขมถ้าใครพิจารณาจนได้ถึงขณะนี้ก็ปัญญาละเอียดมากแต่ของเราอยากละเอียดก็เลยเอาซัดทีเดียวขึ้นมาเลยยกก็ไปถึงย่างย่างก็ไปถึง ย, ย้ยายย้ายก็ไปถเอาตรงนี้เลยรัดเลยไหม ทำขึ้นมาลัดให้ทำไปทำไหมทำไปทำไมเนี่ยนะทำไปแล้วงงไปหมดเลยคันนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ยาตะประิญญาเบื้องต้นต้ น, ต, นต้องให้ดีก่อนแล้วค่อยมาฝึกเจริญแล้วค่อยๆเข้าใจไปแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนะพบว่าท่านสั่งให้เราไปเธอต้องไปยกนะเธอแล้วก็ค่อยหัดย่างเข้าไปเธอหัดย้ายเธอหัดหย่อนเธอหัดยันหัดเยียบแล้วเธอหัดยันท่านฝึกบอกท่านพูดแบบนี้ไห ไม่พูดแล้วท่านพูดยังไงท่านก็บอกข่านก็วิจารณไปตามสภาพของสังขารที่เป็นไปในแต่ละขณะแต่ละขณะว่ามันเป็นไปแบบนี้นะมันไม่เที่ยงเพราะสิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้เป็นอนัตตาเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ถึงอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็ไม่ถึงอีกสิ่งหนึ่งแต่ท่านไม่ได้ไปสั่งว่าเธอต้องไปเดินให้เป็น6จังหวะนะนะแต่ว่าการเดินจงกรมสมัยใหม่เนี่ยจะไม่เดินลักษณะเดินเพื่อออกกําลังกายแต่จะเดินใะห้เป็น6จังหวะที่เดินจงกรมเขาจะสั้นๆั้นนะนะ เดินสั้นๆเพราะฉนั้นบางคนบา ง, บางคนที่เจริญอะไรไม่เป็นเลยไปเจริญนานๆเขาันเครียดนะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็ตั้งใจให้ดีนะทีนี้ก็เคยถามว่าคุณเจริญกรรมฐานหรือเจริญอิริยาบทเขาว่าเขาเจริญอิริยาบทไม่ได้เจริญตัวกรรมฐานอะไรหรอกเพราะตัวกรรมฐานเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาใช่ไหมทีนี้ก็ไปเน้นยกเท้าเออไปตามให้มันทันก็กลายเป็นการเจริญทวิปัญจะไปเจริญ จเจริญกายะวิญญาณจเจริญทุกขกายะวิญญาณไปก็ไม่ใช่เป็นกรรมฐานนะอันนี้ข้อนี้จะต้องสังวรสำเนียกระวังให้มากจเจริญไปจเจริญมาก็ไม่ใช่จเจริญกรรมฐานแล้วไปจเจริญรูปนะไปจะเจริญรูปต่ทใหม้มันทันรูปนะพอพอขณะที่พังะอะไรเข้าก็โอ้ปรากฏการอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอย่างนั้นไม่น่าจะใช่คำสอนอะไรเพราะบางทีเนี่ยก็ต้องมาคิดดูนะยกย่าง ย้ายหย่อนเหยียบยันเป็นสัจจะอะไรมันไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกอะไรเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยนะก็ต้องวิจัยให้มาละเอียดรอบคอบเพราะว่าอย่างไรเสียเน่เวลาย้อนถอยกลับมานะว่าไอ้ยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันมันเป็นรูปอะไรในท่าสี่สบสแต่ละอย่างก็วิจัยกลับไปหานามรูปประเฉทญาณได้เบื้องต้นที่กล่าวไว้อย่างละเอียดแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้ได้อนุโลมและปฏิโลมทบทวนไปทบทวนมาได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะฉะนสรุปว่าสังขารทั้งหลายก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปใครที่สามารถพิจารณาจนถึงสามารถวิเคราะห์จาแนกแยกแยกแะในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขณะที่ยกยา้ายย่างย้ายหย่อนเยียบยันได้โดยที่พิจารณาตั้งแต่หยาบมาใช่หหยาบตั้งแต่หยาบระดับไหนมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะหยาประดับอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันชาติ แล้วภายในชาตินี้ผู้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายแล้วก็ประมวลแล้วก็แบ่งชีวิตเป็น3ไวัยสาวัยก็คือวัยต้นวัยกลางวัยปลายแล้วก็แบ่งร้อยปีเนี่ยทุกๆสิปีทุกๆสิปีและชุดที่2ก็คือแบ่งชีวิตร้อยปีทุกๆ5้ปีทุกๆ4ี่ปี3มปี2ปีและทุกๆ1ปีทีนี้ในทุกๆอะไรทุกๆสาฤดู ฤดูหนาวฤดูว้อนฤดูฝนก็คือทุกๆ4เดือนแล้วก็แบ่ง1ปีเนี่ยทุกๆ2เดือนนะแล้วก็มาแบ่งทุกๆข้างขึ้นกับข้างแรมทุกๆุ5้าวันทีนี้ในทุก10ย้อนกลับมาก็ทั่ววันและคืนกลางวันและกลางคืนทีนี้กลางวันก็แบ่งออกเป็น3กลางคืนก็แบ่งออกเป็น3มทีนี้กลางวันกลางคืนแบ่งออกเป็น3ก็มาแบ่งเป็นเวลาไปมาแลเหลียวคู่เหยียดแบ่งจากแหลเหลียวคู่เหยียดมาเหลือเป็น ยกย่างย้ายย่อนเหยี ย, ยบแล้วก็ยั น, ยนเพื่อที่จะยกขึ้นอีกข้างหนึ่งได้นะจะ ต, ต้องยันอีกข้างหนึ่งจึงจะยกอีกข้างหนึ่งได้ก็เป็นไปเพราะนั้นก็ในทุกอย่างที่กล่าวไปโดยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกเพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะนะก็พิจารณาทั้งหมดเหล่านั้นนะคูณโต40ิก็ได้ หรือพิจารณาแบบสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรนะร้อนเพราะไฟคือราคาเป็นต้นก็ได้หรือสามารถเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณาก็ได้ท่านให้หลักการกว้างๆไว้ว่าอันนีจังทุกขังและอนัตตาพันพวกนี้เรียกว่าการทำตีรณะปริญญาพิจารณาใครโครนให้มากส่วนที่เหลือก็เป็นลักษณะเกี่ยวกับข้ออุปมายางไง นะเกี่ยวกับข้ออุปมาณนะข้ออุปมาก็ใครก็อ่านได้อยู่แล้วไปต่อหน้าเจ็ดร้อยสิบสองกล่าวว่าเนะจ็ดร้อยสิบสองนะเด่นพอันข้อเจ1ด้อสิบเ็ดไม่อ่านแล้วนะอุปมาณเนะี่ย มาดูข้อ712หน้า132กล่าวว่ากล่าวถึงอะไรรูปสัตกะใช่ไหมรูปสัตกะแปลว่าหมวดเจ็ดของรูปหรือการพิจารณารูปเจ็ดหมวดหมวดที่หนึ่งคืออาทานะนิเคปนะนอาท า, า, านะนิเค ป, ปะก็คือตาย เ, เกิดกับตายที่สองความเสื่อมไปตามวัยข้อที่สาม อาหารมายารูปเนี่ยข้อที่เรากำลังพูดในหัวข้อใหญ่มันเป็นกลุ่มหัวข้อที่สาพระโยคีนั้นครั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่แก่ไปตามวัยมีอันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้โดยอาการต่างๆอย่างนี้แล้วก็มาก็กระจายรูปนั้นนั่นแหละทำให้เป็นสี่ส่วนรูปทั้งหมดเนี่ยนะเอามาคูณสี่ทุกเรื่องเลยคูณสี่คือคูณอะไรคูณสมุดฐานสี่ นะทุกๆุกทุกขั้นตอนนะวิโยรูปตามวัยเป็นต้นะมาคูณสมุทฐานสี่มาแนกทุกเรื่องให้เป็นสมุทฐานสี่ให้หมดเลยก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารแล้วก็เน้นเฉพาะเกี่ยวกับรูปที่สําเร็จหมายถึงนิพพานรูปนะเน้นพิเศษคือนิพพานรูปรูปสําเร็จเพราะอาหารเป็นต้นที่ยกขึ้นสู่ตรัยลักแต่ละส่วนอีกในรูปสี่ส่วนนั้นรูปที่สําเร็จเพราะอาหาร ย่อมเป็นอันปรากฏแก่พระโยคีโดยเกี่ยวกับความหิวและความอิ่มจริงอยู่รูปที่ตั้งขึ้นในเวลาหิวเป็นย่อมเป็นรูปที่ซูบซีดอิดโรยแล้วก็ผิวพรรณซามเสียสวดทรงเหมือนต่อต่ อ, ตอไฟไหม้นนะนี่คนแปลบางคนก็บอกโอ้ยนี่คนสีลังกายชัดๆเลยนะเหมือนกาที่ซ่อนตัวอยู่ในเตาถ่านก็ว่างั้นนะหิวนะสมมติว่าปล่อยให้หิวรูปมันจะเป็นยังไงเงี้ะ คือคือดูไม่ได้เลยนะตอนหิวเนี่ยสังเกตปล่อยให้คนหิวดูดูนะดูอะไรจะเกิดขึ้นคิดง่ายๆเวลาวันรักษาอุโบสถอย่างเงี้ยนะอุโบสถครั้งแรกเนี่ยโอ้ยกรอกกระเปียเลยรูปที่ตั้งขึ้นในเวลาอิ่มย่อมเป็นรูปที่เอิบอิ่มเต็มอ่อนนุ่มละมุนละไมมีสัมผัสดีนะะยิ้มแย้มยิม้มใสไปหมดนะนะ พระโยคียนั้นย่อมกําหนดรูปนั้นยกขึ้นสู่ตรายลักษณ์ในรูปอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในเวลาหิว้วก็ยังไม่ทันถึงเวลาอิ่มก็ย่อมดับไปสิ้นไปในเวลาหิวเนี่นั่นแหลรูปที่ตั้งขึ้นในเวลาอิ่มก็ยังไม่ทันถึงเวลาหิวก็ย่อมดับไปในเวลาอิ่มนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปแม้นั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะ ก็จริงเนาะไอตอนหิวก็ตอนหนึ่งตอนอิ่มก็ตอนหนึ่งอิ่มก็ไม่ถึงหิวหิวก็ไม่ถึงอิ่มมันคนละเรื่องคนละช่วงคนละจังหวะกันแต่พันที่หิ่มที่หิวเนี่ยเพราะอะไรเป็นหลักก็เพราะอาหารนะเพราะอาหารพันในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีแบ่งเป็นหิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็หิวเนี่ยสลับคร่าเค้ากันไปเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่ได้รักษาอุโบสถเนี่ยจะอิ่มหิ่มอิ่มเร็วแล้วก็หิวไวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มเด ชิ้นแค่สีรอบเองเหรอปรกิณากะาเอกเล็กน้อยใช่ไหมน้ำทุ ก, ท, กทุกชั่วโมงไงนนนะโอยปกิณากะามีตอนกระหายน้ำตอนหิวน้ำมก็ว่ากันไปอันนี้เรียกว่าอาหารชรูปเนี่ยนะอาหารชรูปนี่ถ้าเป็นอุตุชรูปล่ะรูปที่เกิดจากอุตุเน่ยว่าย่อมเป็นสําแดงให้เห็นปรากฏด้วยอำนาจเย็นและร้อน อันนี้พูดแบบชัดๆเลยนะจริงอยู่รูปที่ตั้งขึ้นในเวลาร้อนเปย่อมเป็นรูปที่ซูบซีดอิดรอยผิวพันธุ์ไม่เศร้าหมองผ่องใสไหมก็คือสังเกตดูนะตอนที่แดดร้อนจัดๆเป็นยังไงตอนที่แดดร้อนเปรี้ยงๆเลยนะพี่ระไเป็นยังไงแดดร้อนสี่สิบองศาเลยนะโอ้ยหอ่หอเหี่ยวไปหมดนะซูบซี้ดยิ้มไม่ค่อยออกเลยอ่ะนั่นนะอ้าวแล้วลตอนเย็นเหรนะยี่สบองศาอย่างไงนะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอากาศดีรูปเอิบอิ่มแต่งตึงคาว่าละมุนละไม พรโยคีนั้นย่อมกําหนดรูปยกขึ้นสู่ตรายักษณ์อย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในเวลาร้อนก็ไม่ทันถึงเวลาเย็นย่อมดับไปในเวลาร้อนนี่นั่นแหละรูปที่เป็นไปในเวลาเย็นก็ไม่ถึงเวลาร้อนย่อมดับไปในเวลาเย็นนี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาร้อนก็ไม่ถึงเย็นเย็นก็ไม่ถึงรูปที่เป็นไปกับความร้อนกับอย่างหนึ่งรูปที่เป็นไปกับ ความเย็นก็อย่างหนึ่งตอนเย็นก็ขณะหนึ่งตอนร้อนก็ขณะหนึ่งตอนเย็นก็สิ้นไปในตอนเย็นไม่ถึงร้อนถึงตอนร้อนก็ร้อสิ้นไปในตอนร้อนไม่ถึงเย็นเนี่ยนะก็เปลี่ยนกันไปอย่างนี้แหละอันนี้เป็นอุตุชรรปเนี่ยนะพิจารณาอุตุชรูปส่วนรูปที่เกิดจากกรรมแหะเกิดจากกรรมเนี่ยท่านพูดถึงทวารนะเกี่ยวกับทวารคืออายตนะทวานี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือทวานที่เป็นประสาสัมผัสกับทวานที่เป็นกายวาจาและ ใจในที่นี้เน้นทวารที่เป็นอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารในจกักขคูทวารรูปที่เกิดจากกรรมมีสาอ่านะในจกักรคูทวานนะขณะที่ลืมตาขึ้นเนี่ยตัวตา น, นี่มีรูปสาคือจกักรคูทัศกะกายกาัทัศกะภาวทัศกะและอะไรรูปซึ่งมีอุตุเป็นสมุทฐาน8จิตเป็นสมุทฐาน8อาหารเป็นสมุทฐานแปดรวมเป็นรูป ทั้งหมด54รูป54รูปรูปพวกนี้พวกอาหาร อ, าอุตสมุทานจิตตสมุทานอาหารสมุทานเนี่ยเป็นอุปธรรมรูปที่เกิดจากกรรมนันลืมตาดวงตาของเราก็มีอยู่54รูปนะโสตาทวานก็54คาณทวาน54รูปชิวหาทวาน54รูปชิวหาทวาน54รูปส่วนกายทวาน ก็โดยมากก็มี54เช่นมีกายภาวะเนี่ยนะก็คือตัดอะไรตัดปภาษาทรูปที่เหลือออก5มนโนทวารมีรูป54รูปมนโนทวารเพราะมีอะไรมีหัตยทักะภาวะกายเนี่ยนะก็รวมเป็น54รูปเนี่ยนะส่วนกายทวาร น, นะมีรูปน้อยกว่าเพื่อนคือ44รูปเพราะตัดปภาษาทรูปที่เหลือออกไป แต่ว่ากายเนี่ยไปซึมไปบวกกับตาบวกกับหูบวกกับจมูกบวกกับลิ้นบวกกับหัตยะด้วยนะที่หัตไทยก็มีกายอยู่ด้วยแต่ว่าที่ใดมีกายเช่นที่มือเนี่ยนะมีตาหูจมูกลิ้นหัตยะอยู่ด้วยไหมที่มือเป็นต้นมันจึงมีรูปแค่44รูปอัน น, นก็แยกแยกรูปนะสรวัจกคุทวามมีรูป54รูปโสตาทาวาม54รูปขานาทาวาม54รูปชิวหาทาวาน 54รูปกายทวาล44รูปมโนทวาล54รูปพระโยคีนั้นย่อมกําหนดรูปนั้นแม้ทั้งหมดยกขึ้นสู่ตรัยลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในจักรคูทวาลไม่ถึงโสตทวาลก็ย่อมดับไปในจักรคูทวาลนี้นั่นแหละอันนก็ตอนเห็นมันก็ดับไปในตอนเห็นนั่นแหละมันไม่ถึงตอนฟังรอกรูปที่ตอนฟังมันก็ดับไปในตอนฟังนั่นแหละไม่ถึงตอนรูปกลิ่นรูปในตอนรูปกลิ่นเนี่ยนะ ก็ดับไปในตอนรู้กลิ่นนั the devant, the ่นแหละไม่ถึงรู้รสรูปที่เกิดขึ้นในรู้รสก็ดับไปสิ้นไปในตอนรู้รสคือในแต่ละทวารนั้นสรุปทวารตาเกิดที่ทวารตาก็ดับไปที่ทวารตาทวารหูเกิดที่ทวารหูก็ดับไปที่ทวารหูชวานจมูกเกิดที่ทวานจมูกก็ดับไปที่ทวานจมูกในทวานลิ้นก็ดับไปในที่ทวานลิ้นนั่นแหละไม่ถึงทวานกายในทวานกายก็เกิดในดับในทวานกายนั่นแหละไม่ถึงทวานใจมันรูปแต่ละทวานแต่ละทวานก็สิ้นไปเสื่อมไป อ่นะนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ม, มีความแปร ь, ปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละมนะอันนี้เกี่ยวกับรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานก็แบ่งตามทวารอ่ะนะทะวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ไม่เที่ยงอย่างที่พระองค์ถามอ่ะนะจะคู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเป็นต้นนะั่นแหละส่วนรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐาน <c oughs> ก็เกี่ยวกับเวลาที่ดีใจและเสียใจ เป็นความจริงว่ารูปที่เกิดขึ้นในเวลาดีใจก็ย่อมเป็นรูปที่ละมุนละไมอ่อนนุ่มเอิบอิ่มสัมผัสดีใช่ไหมคนดีใจเป็นยังไงทีนี้มาดูรูปที่เกิดขึ้นในเวลาเสียใจย่อมเป็นรูปที่สูบซิบอิดโรยมีผิวพันธุ์ไม่ผ่องใสพระโยคีนั้นย่อมกําหนดรูปนั้นยกขึ้นสู่ตรายลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในเวลาที่ดีใจยังไม่ทันถึงเวลาเสียใจก็ย่อมดับไปในเวลาที่ดีใจนั่นแหละ มันรูปในเวลาดีใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปที่เป็นไปในเวลาที่เสียใจก็ยังไม่ทันถึงเวลาที่ดีใจก็ย่อมดับไปในเวลาที่เสียใจนี่นั่นแลเพราะฉะนั้นรูปแ ม, ม้น <Sne. S 2> ั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพันรูปในเวลาดีใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาเสียใจรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อพระโยคีนั้นกำหนดรูปที่มีจิตเป็นสมุธฐานยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปนั้นอยู่อย่างนี้ความข้อนี้ย่อมความข้อความต่อไปนี้ย่อมปรากฏให้เห็นอันนี้ท่านก็คัดมาจากคมพีโน่นนะนะคมพีมหานิเทศว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งมวลย่อมประกอบไว้กับจิตดวงเดียวขณะคือขณะแต่ระยะนีย่อมเป็นไปพลัน เทวดาเหล่าใดดำรงอยู่ได้แปดหมืสี่พันกับแม้เทวดาเหล่านั้นก็หาใช่ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยจิตสองดวงดำรงอยู่ไม่คือทุกชีวิตเนี่ยนะดำรงด้วยจิตทีละขณะขันทั้งหลายเหล่าใดที่ดับไปแล้วของสัตว์ที่ตายหรือที่ยังดำรงอยู่ในประวัติการนี้ขันเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนกันหมดทีเดียวคือไปแล้วก็ไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปไหมายความว่าไอ้ที่ดับก็ดับไป ที่เกิดก็เกิดไปที่เกิดแล้วก็ดับไปที่ยังไม่ไหมก็เป็นไปอย่างนี้น่ะขันที่แตกไปในลําดับก็ดีขันที่แตกดับไปในอนาคตก็ดีคือขันที่เคยแตกแล้วในอดีตขันที่จกแตกในอนาคตขันที่กําลังแตกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะขันที่ดับไปในระหว่างแห่งขันเหล่านั้นก็ดีฮะมีความแตกต่างกันในเพราะลักษณะไหมสมมติว่าขันในอดีตก็แตกแล้วขันในอนาคตก็จะแตกขันในปัจจุบันก็กําลังแตกไอ้ความแตกนี่มันต่างกันตรงไหน คิดง่ายๆว่าคนคนที่เคยตัดอดีตคนเคยตายแล้วอนาคตคนจะตายแล้วก็คนที่กําลังตายในปัจจุบันลักษณะของความตายต่างกันไหมไม่ต่างเพราะจุติจิตจุติจิตมันทําจุติจิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความต่างในลักษณะความไม่เที่ยงไม่มีความแตกต่างกันสัตว์โลกชื่อว่ายังไม่เกิดเพราะจิตยังไม่บังเกิดชื่อว่าเป็นอยู่ก็เพราะจิตที่เกิดแล้วมีเฉพาะหน้า ชื่อว่าตายก็เพราะความแตกดับไปเพราะความแตกดับไปแห่งจิตที่ว่ามานี้จัดเป็นบัญญัติในทางปรัมัทธธรรมนะนะก็คือตัวความจริงที่เกิดตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นเป็นชื่อของจิตเป็นชื่อของวิบากและกรรมชะโรปนะสังขารทั้งหลายที่แตกดับไปแล้วมิได้ไปยังที่เก็บที่แตกไปแล้วมันไปเก็บอยู่ที่ไหนคนตายแล้วไปเก็บที่ไหนชีวิตตินซีที่แตกดับไปแล้วไปเก็บที่ไหนก็ไม่มีที่เก็บใช่ไหม กองกองทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในอนาคตอย่างชีวิตเราเนี่ยนะไปกองรออยู่ตรงไหนในอนาคตมีไหมไม่มีแม้ธรรมเหล่าใดบังเกิดแล้วธรรมเหล่านั้นย่อมดำรงอยู่มีอุปมาเหมือนมเมล็ดพันธากาดบนปลายเข็มบนปลายเหลกแหลมเนี่ยนะก็มีชั่วระยะอย่างนั้นแหละก็ธรรมะที่บังเกิดแล้วเหล่านั้นมีอันทําความแตกดับไปไว้เป็นเบื้องหน้า สิ่งที่มีความแตกทาลายไปเป็นธรรมดาดำรงอยู่ก็ไม่ปะปนด้วยสิ่งเก่าๆทมเหล่านั้นย่อมมาโดยไม่อาจเห็นและแตกดับไปแล้วก็ย่อมอก็ถึงความไม่ปรากฏย่อมเกิดขึ้นและปราดไปเหมือนความเกิดขึ้นแห่งสายฟ้าในอากาศฉนั้นอันนี้ก็คือความเป็นจริงของทำทั้งหลายที่ไหลสืบเนื่องกันไปในวาตาก็เป็นอย่างนี้แล ที น, นี้มาดูธรรมดารูปบ้างนะธรรมดารูปว่าพระโยคีนั้นครั้งยกขึ้นสู่ตรายลักในรูปที่เกิดเพราะอาหารเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ตรายลักในรูปธรรมดาอีกเช่นว่าชื่อว่ารูปธรรมดาคือรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์คือไม่มีชีวิตอินทรีย์นะภายในภายนอกที่เกิดขึ้นมาครั้งตั้งแต่วิวัตตกับมีประเภทเช่น เหล็กโลหะดีบุกตะกัวทองเงินแก้วมุกดาแก้วมณีไผ่ทูลสังศิลาแก้วประพานทัพทิมแก้วลายแผ่นดินหินภูเขาหญ้าต้นไม้เครือเถาเป็นต้นก็คือสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่เห็นเนเนี่ยนะรูปธรรมดานั้นย่อมปรากฏแก่พระโยคีนั้นด้วยอํานาจเหตุมีหน่ออโศกเป็นต้นอันนี้ก็ยกต้นอโศกมาเป็นตัวอย่างนะนะหน่ออโศกเป็นหน่ออะไรครับคิดง่ายๆวันเหมือนเหมือนหน่อมะม่วงกันแล้วกันเหมือนมะม่วงอง่ายดี ว่าอโศกต้นอโศกบางอย่างคล้ายๆมะม่วงใบเนี่ยนะคล้ายๆมะม่วงจริงอยู่หน่ออโศกยอดอโศ ก, ก น, นะทีแรกทีเดียวมีสีแดงอ่อนๆเรื่อๆพอล่วงไปได้สักสองสามวันต่อจากนั้นก็มีสีแดงเข้มขึ้นพอล่วงไปสองสามวันก็มีสีแดงจางลงต่อจากนั้นไปก็มีสีเหมือนใบไม้อ่อนแรกผลิตต่อจากนั้นไปก็มีสีเหมือนใบอ่อนที่แก่ขึ้น ต่อจากนั้นก็มีใบเขียวอ่อนต่อจากนั้นก็มีเขียวแก่ น, นะใบเขียวแก่แล้วก็ย่อมทําความสืบต่อรูปอันเป็นสภาฆะให้ต่อเนื่องกันไปโดยล่วงไปบางใบก็มีอายุประมาณปีหนึ่งแล้วก็ใบไม้เหลืองแล้วก็หลุดหล่นจากขั้วไปคิดง่ายๆจากแดงแดงมาเป็นแดงเรื่อๆแดงอ่อนๆมาเป็นแดงเข้มจากแดงเข้มมาแดงจาแงแล้วก็จากแดงจางก็เป็นสีใบไม้แรกผลิ จากนั้นก็เป็นใบไม้อ่อนที่แก่ขึ้นแล้วก็เขียวอ่อนเขียวแก่เขียวแก่แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงใบไม้เหลืองในที่สุดกร็ร่วงหล่นไปจากขั่วพระโยคีนั้นย่อมกําหนดรูปธรรมดานั้นแล้วก็โยกขึ้นสู่ตรายักษ์ในรูปธรรมดานั้นว่ารูปที่เป็นไปในเวลาที่มีสีแดงอ่อนๆยังไม่ทันถึงเวลาที่มีสีแดงเข้มเลยก็ดับไป รูปที่เป็นไปในเวลาสีแดงเข้มยังไม่ทันถึงเวลาที่มีสีแดงจางลงเลยก็ย่อมดับไปรูปที่เป็นไปในเวลาที่สีแดงจางลงยังไม่ทันถึงเวลาที่เป็นไปมีสีเหมือนใบอ่อนแรกผลิเลยก็ดับไปรูปที่เป็นไปในเวลาที่เป็นใบสีเหมือนใบอ่อนแรกผลิยังไม่ทันถึงเวลาที่มีสีเหมือนใบอ่อนที่แก่จัดขึ้นเลยย่อมดับไปรูปที่เป็นไปในเวลาที่มีสีเหมือนใบอ่อน ที่แก่จัดขึ้นยังไม่ท so like ันถึงเวลาที่มีสีเหมือนใบเขียวอ่อนเลยก็ย่อมดับไปรูปที่เป็นไปในเวลาที่มีสีเขียวเหมือนใบใบเขียวอ่อนยังไม่ทันถึงเวลาที่มีสีเหมือนใบเขียวแก่เลยก็ย่อมดับไปรูปที่เป็นไปในเวลาที่มีสีเขียวอนสีเหมือนใบเขียวแก่ยังไม่ทันถึงเวลาที่เป็นใบเหลืองเลยก็ย่อมดับไปรูปที่เป็นไปในเวลาที่เป็นใบเหลืองยังไม่ถึง ไม่ถึงเวลาที่หลุดลนจากขั้วเลยก็ย่อมดับไปเพราะฉะนั้นรูปธรรมดานั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้นยกขึ้นสู่ตรายักษ์ในรูปธรรมดาอย่างนี้แล้วก็พิจารณารูปธรรมดาแม้ทั้งหมดโดยนัยนี้พิจารณาบ้านรถเป็นต้นเนี่ยนะไม่ว่าบ้านว่ารถข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มทุกอย่างในโลกก็เอามาพิจารณาในยักษ์เดียวกันหมดเลยถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา การกล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าพิจารณาสังขารทั้งหลายยกขึ้นสู่ตรลักษณ์เกี่ยวกับรูปโดยเกี่ยวกับสัตตการูรปเจ็ดหมวดนี่นะรูปเจ็ดหมวดทบทวนนะ็ดหมวดนี้หนึ่งถือเอาเกี่ยวกับเรื่องอาธารพณิเขปะคือเริ่มตั้งแต่จุติกับเอ่อปฏิสนธิไปหาจุตินี่เรื่องที่หนึ่งที่สองความสิ้นเสื่อมไปตามวัยสาอาหารชรูป ส, ส่ จิตตชูรูปห้ากรรมชรูป6อุตูชูรูป7ธรรมดารูปนะก็พิจารณารูปทั้ง7กลุ่มเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันถ้าจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปคูณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกศรเป็นต้นก็ได้หรือจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของร้อนนะก็ของที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ได้ แล้วแต่ความถนัดอันนี้คือการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องรูปส่วนพิจารณาเรื่องนามเป็นต้นกคงเป็นวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็คงสมควรกับเวลา